วีโนปมาสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยพินภิกษุทั้งหลายชันทะคือความพอใจราคะความกำหนัดโทสะความขัดเคืองและโมหะความหลงหรือแม้ความกระทบกระทั่งในใจในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาพึงเกิดขึ้นแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ภิกษุรูปนั้นพึงห้ามจิตจากรูปที่พึงรู้แจ้งทางตานั้นโดยพิจารณาว่าทางนั้นมีภัยมีภัยจาเพาะหน้ามีหนามรกชัดเป็นทางอ้อมเป็นทางผิดและไปลำบากทางนั้นเป็นทางที่อสัตย์บุรุษดำเนินไม่ใช่ทางที่สัตว์บุรุษดำเนินท่านไม่ควรดำเนินไปทางนั้นภิกษุ พึงห้ามจิตจากรูปที่พึงรู้แจ้งทางตานั้นและโดยในยะเดียวกันชันทาราคะโทสะโมหะหรือแม้ความกระทบกระทั่งในใจในเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูในกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกในรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นในผลทพะที่พึงรู้แจ้งทางกายและที่สุดแม้ความกระทบกระทั่งในใจ ในธรรมารมณที่พึงรู้แจ้งทางใจพึงเกิดขึ้นแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งภิกษุรูปนั้นพึงห้ามจิตจากธรรมารม์ที่พึงรู้แจ้งทางใจนั้นโดยพิจารณาว่าทางนั้นมีภัยมีภัยจำเพาะหน้ามีหนามรกชัดเป็นทางอ้อมเป็นทางผิดและไปลำบากทางนั้นเป็นทางที่อาสัตบุรุษดำเนิน ไม่ใช่ทางที่สัตว์บุรุษดำเนินท่านไม่ควรดำเนินไปทางนั้นภิกษุพึงห้ามจิตจากธรรมารมที่พึงรู้แจ้งทางใจนั้นเข้ากล้าถึงจะสมบูรณ์แต่คนเฝ้าเข้ากล้าประมาทและโคตัวกินเข้ากล้าก็ลงลุยเข้ากล้าโน้นพึงถึงความเมามันเล่นเล่อตามต้องการแม้ฉันใด ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่ทำความสำรวมในภาษายตนะหกประการยอมถึงความมัวเมาประมาทในกามคุณห้าตามต้องการข้าวกล้าสมบูรณ์คนเฝ้าข้าวกล้าก็ไม่ประมาทและโคที่กินข้าวกล้าก็ลงลุยข้าวกล้าโนนคนเฝ้าข้าวกล้าจับโคสนตภายให้แน่น และจับสายตะพายเหนือเขาให้มั่นตีกระนำด้วยท่อนไม้แล้วปล่อยเข้าฝูงไปแม้ครั้งที่สองและแม้ครั้งที่สามก็เช่นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนั้นโคที่กินเข้ากล้านั้นจะอยู่ในบ้านก็ตามอยู่ในป่าก็ตามจะเป็นสัตว์ยืนมากหรือนอนมากไม่กลับลงสู่เข้ากล้าอีก พลางนึกถึงการถูกตีด้วยท่อนไม้ครั้งก่อนนั้นแลแม้ฉันใดข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อใดภิกษุข่มคู่คุกคามจิตในภัษายตนะอหกประการดีแล้วเมื่อนั้นจิตย่อมอยู่สงบนิ่งอยู่ภายในตั้งมั่นเป็นหนึ่งผุดขึ้นเปรียบเหมือนพระราชาหรืออมรต ไม่เกิดสะดับเสียงพินเมื่อได้สะดับพึงถามว่าเสียงที่น่าใกล้หน้าชอบใจหน้าเพลิดเพลินหน้าหมกมุ่นหน้าโผพันอย่างนี้เป็นเสียงอะไรพระราชบุรุษทั้งหลายพึงทูลว่าเสียงที่น่าใกล้หน้าพอใจอย่างนี้เป็นเสียงพินพระราชาพึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงไป น, นำพินนั้นมาให้เรา เมื่อราชบุรุษ ท, ทั้งหลายนำพินนั้นมาถวายแล้วบอกว่านี่คือพินนั้นซึ่งมีเสียงน่าใกล้น่าพอใจอย่างนี้พระราชาก็กล่าวว่าไม่ต้องการพินนี้แต่ต้องการเสียงพินนั้นจงนำมาให้เราราชบุรุษ ท, ทั้งหลายพึงกราบทูลว่าขึ้นชื่อว่าพินนี้มีเครื่องประกอบมากมายหลายอย่างพินที่ในช่างประกอบดีแล้ว ด้วยเครื่องประกอบหลายอย่างจึงจะเปล่งเสียงได้คืออาศัยรางอาศัยหนังอาศัยคันอาศัยลูกบิดอาศัยสายอาศัยไม้ดิดผินและอาศัยความพยายามของบุรุษซึ่งเหมาะแก่ผินนั้นขึ้นชื่อว่าผินนี้มีเครื่องประกอบมากมายหลายอย่างผินที่นายช่างประกอบดีแล้วด้วยเครื่องประกอบหลายอย่าง จึงจะเปล่งเสียงได้อย่างนั้นพระราชาพึงพผ่าพินนั้นเป็นสิบเสียงหรือร้อยเสียงทำให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและพึงเผาไฟทำให้เป็นขมเหลาโปรยไปในลมพายุหรือลอยไปในแม่น้ำที่มีกระแสเชี่วแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าได้ยินว่าขึ้นชื่อว่าพินนิเลวซามสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ชื่อว่าพิน ก็เลวซาเหมือนพินฉนั้นเพราะพินนี้ทําให้คนประมาทหลงไหลจนเกินขอบเขตแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมค้นหารูปตลอดคติแห่งรูปที่มีอยู่ค้นหาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตลอดกติแห่งสิ่งนั้นๆที่มีอยู่ เมื่อภิกษุนั้นค้นหารูปสัญญาสังขารเป็นต้นนั้นความถือว่าเราของเรามีเราของภิกษุนั้นไม่มีเลยฉับปานโกปมาสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยสัตว์หกชนิดภิกษุทั้งหลาย บุรุษมีร่างกายเต็มไปด้วยแผลผู้พองเข้าไปสู่ป่ายญาคาแม้ท่านหน่อยยาคาตามเท้าของเขาใบยญาคาบาดร่างกายที่ผู้พองเมื่อเป็นเช่นนั้นบุรุษนั้นพึงเสวยทุกโทมนัเหลือประมาณเพราะเหตุนั้นแม้ฉันใดภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็ชันนั้นเหมือนกันจะไปสู่บ้านหรือจะไปสู่ป่าก็ตาม จะมีผู้ทักท้วงว่าท่านรูปนี้ทำอย่างนี้มีความประพฤติอย่างนี้เป็นผู้ไม่สะอาดเป็นดุดน้ำคอยทิ่มแทงชาวบ้านเธอทั้งหลายรู้ว่าภิกษุนั้นเป็นดุดน้ำแล้วพึงทราบความสำรวมและความไม่สำรวมต่อไปความสำรวมเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตา ฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องผลทพะทางกายรู้แจ้งธรรมอารมณ์ทางใจแล้วย่อมยินดีในรูปเป็นต้นนั้นที่น่ารักย่อมยินร้ายในรูปเป็นต้นนั้นที่ไม่น่ารักเป็นผู้ไม่ตั้งมั่นกายคตาสติมีปริตตจิตยอยู่และไม่รู้ชัดเจตวิมุตติและปัญญาวิมุตติตามความเป็นจริง อันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งธรรมะที่เป็นบาปอากุศลเหล่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วแก่เธอภิกษุทั้งหลายบุรุษจับสัตว์หกชนิดซึ่งมีที่อยู่ต่างกันมีที่หากินต่างกันแล้วผูกด้วยเชือกที่เหนียวคือจับงูแล้วผูกด้วยเชือกที่เหนียวจับจระเข้จับนกจับสุนัขจับสุนัขจิ้งจอกจับลิง แล้วผูกด้วยเชือบที่เหนียวขมวดเป็นปมไว้ตรงกลางแล้วจึงปล่อยไปลำดับนั้นสัตว์ทั้งหกชนิดซึ่งมีที่อยู่ต่างกันมีที่หากินต่างกันเหล่านั้นพึงดึงไปสู่ที่หากินและที่อยู่ของตนของตนคืองูดึงไปด้วยต้องการว่าจะเข้าไปสู่จอมปลวกเจะระเเ้่ ดึงไปด้วยต้องการว่าจะลงน้ำนกดึงไปด้วยต้องการว่าจะบินขึ้นสู่อากาศสุนัขบ้านดึงไปด้วยต้องการว่าจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกดึงไปด้วยต้องการว่าจะเข้าป่าช้าลิงดึงไปด้วยต้องการว่าจะเข้าป่าเมื่อใดสัตว์ทั้งหกชนิดนั้น ต่างก็จะไปตามใจของตนพึงลำบากเมื่อนั้นสัตว์เหล่านั้นก็พึงตกอยู่ในอำนาจไปตามสัตว์ที่มีกำลังกว่าแม้ฉันใดข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันกายคตาสติที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่เจริญไม่ทำให้มากแล้วตายอมจุดภิกษุนั้นไปในรูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจเป็นของน่าเกลียด จมูกลิ้นกายและโดยที่สุดคือใจย่อมจุดภิกษุไปในธรรมารมณ์ที่น่าพอใจธรรมารมณ์ที่ไม่น่าพอใจเป็นของน่าเกลียดภิกษุทั้งหลายความไม่สํารวมเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายความสํารวมเป็นอย่างไรข้อนี้คือโดยนัยะตรงกันข้ามกันกับความไม่สํารวมคือภิกษุ เห็นรูปทางตาเป็นต้นนั้นไม่ยินดีในรูปที่น่ารักไม่ยินร้ายในรูปที่ไม่น่ารักเป็นผู้ตั้งมั่นกายคตาสติมีอัปปมามะนาจิตอยู่และรู้ชัดเจโตวิมุตและปัญญาวิมุตตามความเป็นจริงอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งธรรมะที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วแก่เธอผูุ้ดจับสัตว์หกชนิด ซึ่งมีที่อยู่ต่างกันมีที่หากินต่างกันแล้วผูกด้วยเชือกผูกติดไว้ที่หลับหรือเสาอันมั่นคงสัตว์ทั้งหกชนิดนั้นดึงไปด้วยต้องการจะเข้าไปสู่ที่อยู่ของตนเมื่อใดสัตว์ทั้งหกชนิดนั้นต่างก็จะไปตามใจตนพึงลำบากเมื่อนั้นสัตว์เหล่านั้นพึงยืนพิงนั่งพิงนอนพิงหลับหรือเสานั้น แม้ฉันใดข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันกายคตาสติที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วตายอมไม่ฉุดภิกษุนั้นไปในรูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจย่อมไม่น่าเกลียดหูจมูกลิ้นกายและที่สุดคือใจย่อมไม่ฉุดภิกษุนั้นไปในธรรมารมณ์ที่น่าพอใจ ทำมารมที่ไม่น่าพอใจย่อมไม่น่าเกลียดภิกษุทั้งหลายความสำรวมเป็นอย่างนี้แลคคำว่าหลักหรือเสาอันมั่นคงนี้เป็นชื่อของกายคตาสติเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงสําเนียกอย่างนี้ว่ากายคตาสติเราทั้งหลายจักเจริญทำให้มากทำให้เป็นดุจยาน ทำให้เป็นที่ตั้งตั้งไว้หนึ่งเนืองสั่งสมแล้วปรารบเสมอดีแล้วภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แหละกิงสุโกโปมาสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยต้นทองกวาวครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปหาภิกษุอีกรูปหนึ่งแล้วถามดังนี้ว่าด้วยเหตุเพียงเท่าไรภิกษุจึงมีทัศนะหมดจดดีข้อนี้หมายถึงปฐมมรรคคือโซดาปฏิมรรคพระอริยเบื้องตน้นภิกษุรูปนั้นตอบว่าเพราะภิกษุรู้ชัดถึงความเกิดและความดับ แห่งภสษายตนณะหกประการตามความเป็นจริงด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงมีทัศนะหมวดจดดีภิกษุรูปนั้นไม่พอใจการตอบปัญหานั้นจึงเข้าไปถามภิกษุอีกรูปได้รับคำตอบว่าเพราะภิกษุรู้ชัดถึงความเกิดและความดับแห่งอุปาทานขันห้าตามความเป็นจริงด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุ จึงมีทัศนะหมดจดดีภิกษุอีกรูปหนึ่งตอบว่าเพราะรู้ชัดถึงความเกิดและความดับแห่งมหาภูตรูปสี่ตามความเป็นจริงด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงมีทัศนะหมดจดดีภิกษุอีกรูปหนึ่งตอบว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดา ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิสษจจึงมีทัศนะหมดจดดีภิสษุนั้นยังไม่พอใจคำตอบทั้งหมดนั้นจึงเข้าเฝ้ากราบทูลถามรระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิสษุเปรียบเหมือนบุรุษไม่เคยเห็นต้นทองกวาวเลยเขาเข้าไปหาบุรุษคนหนึ่งผู้เคยเห็นต้นทองกวาวถึงที่อยู่ และถามว่าต้นทองกวาวนั้นเป็นอย่างไรบุรุษนั้นตอบว่าต้นทองกวาวดําเหมือนตอที่ถูกไฟไหมเขาไม่พอใจคำตอบจึงไปถามบุรุษอีกคนได้คำตอบว่าต้นทองกวาวแดงเหมือนชิ้นเนื้อบุรุษหนึ่งตอบว่าต้นทองกวาวที่เกิดนานมีฝากเหมือนต้นซึกบุรุษอีกคนหนึ่งตอบว่า ต้นทองกวาวมีใบแก่และใบอ่อนหนาแน่นมีร่มทึบเหมือนต้นไทรเวลานั้นต้นทองกวาวเป็นดังที่เขาเห็นแม้ฉันนั้นข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันการเห็นของสัตว์บุรุษเหล่านั้นผู้เชื่อแล้วเป็นอันถูกต้องโดยประการใดๆสัตว์บุรุษเหล่านั้นก็ได้ตอบโดยประการนั้นๆภิกษุ เมื่อชายแดนของพระราชามีกำแพงและเชิงเถินมั่นคงมีหกประตูนายประตูของเมืองนั้นเป็นบัณฑิตเฉียบแหลมมีปัญญาคอยห้ามคนที่ตนไม่รู้จักอนุญาตเฉพาะคนที่ตนรู้จักให้เข้าไปในเมืองนั้นพระราชทูตสองนายมีราชการด่วนมาจากทิศตะวันออกถามนายประตูนั้นว่าเจ้าเมืองเมืองนี้อยู่ที่ไหน นายประตูนั้นตอบว่าเจ้าเมืองนั้นนั่งอยู่ที่ทางสีแยกกลางเมืองลำดับนั้นราชทูตสองนายผู้มีราชการด่วนได้มอบถวายพระราชสารตามความเป็นจริงแก่เจ้าเมืองแล้วกลับไปตามทางที่ตนมาราชทูตอีกสองนายผู้มีราชการด่วนมาจากทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ แล้วถามว่าเจ้าเมืองเมืองนี้อยู่ที่ไหนนายประตูแต่ละทิศนั้นตอบอย่างนี้ว่าเจ้าเมืองนั้นนั่งอยู่ที่ทางสี่แยกกลางเมืองลำดับนั้นราชทูตสองนายได้มอบถวายพระราชสารตามความเป็นจริงแก่เจ้าเมืองแล้วก็กลับไปตามทางที่ตนมาแม้ฉันใดอุปมหยนี้ก็ฉันนั้น เรายกมาก็เพื่อให้เข้าใจเนื้อความชัดเจนในอุปมาันนั้นมีคําอธิบายดังต่อไปนี้คําว่าเมืองนี้เป็นชื่อของกายนี้ซึ่งประกอบขึ้นจากมหาพูตธ ร, รูปสี่เกิดจากมารดาบิดาเจริญวัยเพราะเข้าสุขละขนมกุมมาศข้อนี้เป็นสำนวนหมายถึงการกินอาหารของมนุษย์นะครับเพราะในทางพระพุทธศาสนา มีอาหารหลายประเภทเช่นผัสส า, าหารวิญญาณอาหารเป็นต้นจเจริญไวเพราะเข้าสุกและขนมกุมงมาดไม่เทียงแท้ต้องอบต้องนวดเฟนมีอันแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาคำว่ามีหกประตูนี้เป็นชื่อของอายตนะภายในหกประการมีตาหูจมูกเป็นต้น คำว่านายประตูนี้เป็นชื่อของสติคำว่าราชทูตสองนายผู้มีราชการด่วนนี้เป็นชื่อของสมถะละวิปัสนาคำว่าเจ้าเมืองนี้เป็นชื่อของวิญญาณคำว่าทางสีแยกกลางเมืองนี้เป็นชื่อของมหาปุตตรรูปทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลม คำว่าพระราชสารตามความเป็นจริงนี้เป็นชื่อของนิพพานคำว่าทางตามที่ตนมานี้เป็นชื่อของอริยมรรคมีองค์แปดคือตั้งแต่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบจนถึงสัมมาสมาธิการตั้งจิตมั่นชอบเยาวะกัลลาปิสูตร ว่าด้วยฟ่อนข้าวเหนียวภิกษุทั้งหลายฟ่อนข้าวเหนียวบุคคลกองไว้ที่ถนนใหญ่สี่แยกลำดับนั้นบุรุษหกคนถือไม้คานเดินมาพวกเขาช่วยกันนวดฟ่อนข้าวเหนียวด้วยไม้คานทั้งหกอันฟ่อนข้าวเหนียวนั้นถูกนวดอย่างดีด้วยไม้คานหกอันอย่างนี้ต่อมาบุรุษคนที่เจ็ด ถือไม้คานเดินมาเขาพึงนวดฟอนข้าวเหนียวนั้นด้วยไม้คานอันที่เจ็ดฟอนข้าวเหนียวนั้นถูกนวดด้วยไม้คานอันที่เจ็ดพึงถูกนวดดีกว่าอย่างนี้แม้ชันใดปุถุชนผู้ไม่ได้สดับก็ฉันนั้นเหมือนกันถูกรูปที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจกระทบตาถูกเสียงกลิ่นรสพุทธภพและธรรมารมณ์ ที่พอใจและไม่น่าพอใจกระทบถ้าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนั้นย่อมคิดเพื่อจะเกิดอีกต่อไปเมื่อเป็นเช่นนั้นปุถุชนนั้นย่อมเป็นโมคะบุรุษผู้ถูกอายตนะภายนอกกระทบอย่างหนักเหมือนฟ่อนข้าวเหนียวที่ถูกนวดด้วยไม้ขาดอันที่เจ็ดฉะนั้น สงครามระหว่างเทวดากับอสูรภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วสงครามระหว่างเทวดากับอสูรได้ประชิดกันครั้งนั้นท้าเวปจิตติจอมอสูรรับสั่งเรียกพวกอสูรมารัสว่าถ้าเมื่อสงครามระหว่างเทวดากับอสูรรบประชิดกันถ้าพวกอสูรชนะ ท่านทั้งหลายพึงจองจำเท้าสักกะจอมเทพนั้นด้วยเครื่องจองจำทั้งห้ารวมทั้งเครื่องผูกคอแล้วนำมายัางเมืองอสูรในสำนักของเราฝ่ายเท้าสักกะจอมเทพก็รับสั่งเช่นเดียวกันสงครามครั้งนั้นพวกเทวดาชนะจึงได้จองจำเท้าเวปปจิตติจอมมาสูรแล้วนำมายัางเทวสภาชื่อสุธรรมมา ครั้งนั้นท้าเวปะจิตติจอมอสูนทรงดําริว่าพวกเทวดาตั้งอยู่ในธรรมพวกอสูนไม่ตั้งอยู่ในธรรมบัดนี้เราจะไปยังเทพนครท้าเวปะจิตติจอมอสูนยอมพิจารณาเห็นตนพ้นจากเครื่องจองจําทั้งห้ารวมทั้งเครื่องผูกคอและเป็นผู้เอื้อิ่มร่างพร้อมบำเรออยู่ด้วยกามคุณห้าอันเป็นทิพย์ และการใดที่ท้าเวปปจิตติจอมาสูนทรงดำริว่าพวกอสูนนั้นตั้งอยู่ในธรรมพวกเทวดาไม่ตั้งอยู่ในธรรมบัดนี้เราจักไปยังเมืองอสูนท้าเวปปจิตติจอมาสูนพิจารณาเห็นตนถูกจองจาด้วยเครื่องจองจําทั้งห้ารวมทั้งเครื่องผูกคอและเสื่อมจากกา ร, รมคุณห้าอันเป็นทิพภิษุทั้งหลาย เครื่องจองจำท้าเวปะจิติละเอียดอย่างนี้เครื่องจองจำของมารละเอียดยิ่งกว่านั้นบุคคลเมื่อกาหนดหมายก็ถูกมารผูกมัดไว้เมื่อไม่กาหนดหมายก็พ้นจากมารผู้มีบาปความกาหนดหมายเป็นต้นเป็นโรคเป็นหัวฟีเป็นลูกสอนภิกษุทั้งหลาย ความกาหนดหมายว่าเรามีความกาหนดหมายว่าเราเป็นนี้ความกำหนดหมายว่าเราจะมีเราจกไม่มีเราจกเป็นผู้มีรูปเราจกเป็นผู้ไม่มีรูปเราจกเป็นผู้มีสัญญาไม่มีสัญญามีสัญญาก็มีใช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่ความกำหนดหมายเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศร เพราะฉะนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะมีจิตไม่กำหนดหมายอยู่ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายความวันไหวว่าเรามีเราเป็นนี้เราจะมีเรา จ, ก, ราจกไม่มีเราจะเป็นผู้มีรูปไม่มีรูป มีสัญญาไม่มีสัญญาความวันไหวเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกสอนเพราะฉะนั้นแหลเธอทั้งหลายพึงสำเนีกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะมีจิตไม่วันไหวอยู่ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนีกอย่างนี้แหลภิกษุทั้งหลายความดิ้นรนว่าเรามีว่าเราเป็นนี้ ว่าเราจากมีเราจากไม่มีเราจะเป็นผู้มีรูปเราจากเป็นผู้ไม่มีรูปมีสัญญาไม่มีสัญญาความดิ้นรนนั้นเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเพราะฉะนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะมีจิตไม่ดิ้นรนอยู่ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกอย่างนี้แล ภิกษุทั้งหลายความปรุงแต่งว่าเรามีเราเป็นนี้เราจกมีเรา จ, ก, ราจกไม่มีเราจกเป็นผู้มีรูปเราจกเป็นผู้ไม่มีรูปเราเป็นผู้มีสัญญาไม่มีสัญญามีสัญญาก็มีใช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่ความปรุงแต่งเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเพราะฉะนั้นแหล เธอทั้งหลายพึงสำเนีกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะมีจิตไม่ปรุงแต่งอยู่ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนีกอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายความถือตัวว่าเรามีเราเป็นนี้เราจักมีเราจักไม่มีเราเป็นผู้มีรูปเราจักเป็นผู้ไม่มีรูปเราจักเป็นผู้มีสัญญาไม่มีสัญญา เราจักเป็นผู้มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ความถือตัวเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักมีจิตไม่ถือตัวอยู่ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกอย่างนี้แหล